เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องนิทานโกหกมีกระทาชายนายหนึ่งอายุอนามก็มากแล้ว แต่ชอบเล่านิทานโกหกให้คนอื่นเชื่อเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กฉลาดคนหนึ่งอยากจะลองดีด้วยก็เข้าไปหาให้ชายผู้นั้นเล่านิทานโกหกให้ฟังเพราะเขาบอกว่าให้เล่าอย่างไรก็จะไม่เชื่อทั้งนั้นฝ่ายชายที่เล่านิทานก็พูดว่าหลานเอ้ยวันนี้ ลุงไม่มีเวลาพูดโกหกให้หลานเชื่อหรอกเพราะลุงจะรีบไปงานศพที่วัดเพื่อนมันตายเมียมันร้องไห้จนตาพองโปนออกมานอกเบ้าเด็กคนนั้นก็ถามว่าตามันโปนออกมามากไม่ลุงใช่คนนั้นก็พูดว่าอา้าวเองเชื่อลุงเหรอก็อลุงกำลังเล่านิทานโกหกให้เองฟังนะสิ นี่แหละเป็นนิทานโกหกที่เจ้าเชื่อตามที่ลุงเล่าไงละ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโกหกนั้นแม้จะพูดจริงก็ยังโกหกและชอบนำเรื่องจริงมาพูดเล่นได้เสมอ